วันนี้เป็นวันที่ส2สองมกราคมพุทธศักราช2555้าห้าปีใหม่มาได้ส2บสองวันวันนี้พอฉันจะหันเสร็จหลวงพ่อก็จะได้เรียบไปไประชุมที่วัดป่าบ้านตาดพราะทางเบื้องบนที่เกี่ยวข้องกับ เ ah, จดีย์องหลวงตาบอกมาทางจังหวัดแล้วก็ทางฝ่ยพระสงฆ์ให้ร่วมกันหารือประชุมเกี่ยวกับแบบแปลนของเจดีย์องหลวงตาคงจะเป็นพระองค์เจ้าที่เป็นลูกสาวของฝ่ายหญิงจะมาประชมุมเพราะท่านเป็นจบมาทาง สถาปัตย์แล้วก็กลุ่มสถาปัตย์้จะเป็นผู้ออกแบบถวายเจดีย์สร้างเจดีย์ถวายองหลวงตาเป็นผู้ออกแบบคราวนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงน้ำท่วมก็จะมาไปชมกันครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ก็น้ำท่วมมาไม่ได้แต่คราวนี้มาอีกกะเล่นัดคณะสงฆ์ที่เป็นสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตา ก็คงในมกลกรูบาจานพระสงฆ์เข้าไปร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเจดีย์ขององค์หลวงตาวันนี้แต่ว่าตามไม่จริงเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยถ้าจะว่าไปเลวก็ค่อยก้าวเดินไปทีละทีละน้อยละน้อยทีละขั้นละขั้นคือไม่ก้าวกระโดดสรุปเพราะอะไรเนี่ยทั้งที่เรื่องจจตุ ป, ปัจจัยเรื่องเงินทุน ก็ไม่หน้ามีปัญหาเพราะหลวงตาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกมาต้องมากต่อมากสิทธยาดุสิท์ทั้งหลายก็พร้อมที่จะทุ่มเทแต่ก็สิทธยาดุสิ์ขององค์หลวงตามีมากนานาจิตตังนานาทัศนะเนี่ยคาว่านานาจิตตังนานาทัศน์คานี้แหละก่อนที่จะเอาจิตตังทัศนะเนี่ยมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว หรือถึงจะไม่หนึ่งเดียวก็ให้อยู่ใกล้เคียงให้ไป็นแนวแถวเดียวกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลา ใ, ใช้แนวความคิดและใช้การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าว่าปรั บ, บจัดไปเลยทำได้ก็ดีเร็วดีแต่หนึ่งหนึ่งหัวกับหลายหัวอันไหนดีกว่ากันก็คงจะสู้หลายหัวไม่ได้แต่ก่อนที่จะหลายหัวได้ มันก็ต้องใช้แนวความคิดหรือว่าหาเหตุผลมาพูดให้กันฟังอ้างเหตุผล เ, เป็นที่ยอมรับกันมันจึงจะลงกันได้แต่ถ้าว่าเหตุผลยังไม่เป็นที่ยอมรับกันมันก็จะเกียกตะกายไปอีกอย่างหนึ่งเว้นเสียแต่ผู้นั้นไม่มีเหตุผลมีแต่ทิฏฐิมานะอันนั้นก็มีอยู่ในชุมชนในกลุ่มของ ทุกไม่ว่ากลุ่มไหนไม่ว่ากลุ่มพระไม่ว่ากลุ่มคราวาสญาติโยมไม่ว่าโรกโกยุคไหนสมัยไหนมันมีที่ว่าไม่ยอมฟังใครเอาข้างเข้าถูเอาแต่ตัวเองว่าตัวเองว่าถูกก็ใช้อำนาจบาดใหญ่เข้ามาใช้ในงานหรือว่าใช้ในกลุ่มแต่ก็พอผลออกมา มันก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายยาวนานแต่ถ้าว่าออกมาไปชุมกันหรือว่าหลายคนหลายแนวความคิดแต่เมื่อในเมื่อออกมาแล้วก็โดยมากจะเป็นที่ยอมรับกันท่วนหนาแต่ถ้าว่าคนเดียวออก เ, อเป็นประเด็จการก็ยอมรับเพราะคนนั้นมีอํานาจพอไม่นานโชว่วระยะหนึ่งก็ พอตัวเองหมดอำนาจแล้วก็ไปไม่หลอดละท่านคนทั้งหลายลุกฮือกโค่นกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ก็เหมือนกันนะเจดีขององค์หลวงตาของเราก็จะต้องไปชุมกันหาหรือกันหาหรือแล้วหรืออีกอกว่าที่จะเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าใกล้เคียงที่จะลงมือได้ดัช่วงนี้ก็ถึงออกแบบใครเข้ามาจะออกแบบ ก่อนที่จะออกแบบก็จะต้องดูภูมิมิทัศน์สก่อนว่าจะลงที่ตรงไหนถ้าว่าลงตรงนี้จะดีถ้าขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างไรให้พวกสถาปัตาก็ต้องคิดจินตนาการล่วงหน้ายาวไกลถ้าอยู่ถนนข้างนี้เป็นยังไงถนนข้างนั้นเป็นยังไงถ้าอยู่ในมุมนี้เป็นยังไงหมูอยู่มุมนั้นเป็นยังไงผู้คนเข้ามาเป็นยังไงอันนี้ให้ต้อง เขาจะต้องดูสถานที่ซะก่อนท่าลงได้จุดนี้นแต่เดี๋ยวนี้ของหลวงตาเนี่ยยังยังส่ายไปสายมาอยู่สถานที่ที่จะลงน่ะคือยังไม่ชัดเจนนะยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่คนหนึ่งขันหน้าจะลงตรงนั้นคนหนึ่งขันหนาจะลงตรงนี้ก็อย่างว่าดนะนานาจิตตังนานาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนแต่วันนี้ละคงจะเข้าไปอีกหารือกันอีกในระดับหนึ่งแต่มีการทะเลาะ ก, กันไหมไม่มีการทะเลาะ เพราะต่างคนก็ต่างเจตนานดีด้วยกันทั้งนั้นใครใครก็รอยากจะให้ดีแต่ ว, ว่าดีต่อดีเนี่ยนะต้องมารวมกันไม่เฉาดีไปคนละทิศ ด, ดีไปคนละทางดีหันหลังให้กันเดินก้าวไปคนละทิศละทางกันอันนี้ว่าดีแตกกันแหดีแตกอถ้าดีรวมก็ต้องเข้ามาหันหน้าคว้าหากันปรึกษาปารับรุกัน อันไหนจึงจะถูกต้องอันไหนจึงจะเป็นธรรมอันไหนคือจะเหมาะสมเราจะกล้าเดินอย่างไรอันนี้ถ้าหากว่าพวกเรานำเอาไปใช้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมันก็เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นในครั้งพุทธกาลพะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้และประกาศพระธรรมประกาศพระธรรมคำสอนจากนั้นก็ได้บัญญัติวินยัยบัญญัติิลและวินัยให้พระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัตินำปฏิบัติก่อนที่จะนำปฏิบัตินะั้นไม่ใช่ของง่ายๆนะพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันอย่างพระสงฆ์ตะกอนจะฉันเวลาไหนก็ฉันได้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้ฉันตั้งแต่เช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงเกินกว่า น, นั้นไม่ให้ฉันเพราะว่ า, าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสุขภาพส่วนหนึ่งก็เพื่อ เป็นการเลี้ยงง่ายถ้าฉันทุกวีทุกวันก็ทำให้เลี้ยงยากไม่ปีไม่มีกฎระเบียบแล้วก็ทำให้เกิดโรคภยครัยไข้เจ็บพระของเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพียงชิบขาบทเดียวเท่านี้ลหละโอ้ไม่ใช่ธรรมดาพระสงฆ์เคยฉันอาหารมานมนานแฮ S <S <an> เคยฉันอารหาันจับหยบจับมาบังคับให้มาฉันตอนเช้าถึงเที่ยงนี่ละพระสงฆ์บางกลุ่มก็แอนตี้พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่อยอมพระพุทธองค์บัญจัดวินนยละต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่อยู่ในหลักของเราหนีไอ้อันนั้นคือคือต้นาศาสถาต้นาศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในพระวินัยของพระพุทธเจา้าจุดนี้ลรโหพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดา ที่จะตะล่อมคนหรือว่าคนคนกลุ่มใหญ่พระสงฆ์ในยุคนั้นให้มาเคารพหลักพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเมื่อเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกจากนั้นเมื่อพระองค์ได้บัญญัติวินัยพอสมควรแล้วเนี่ยพระองค์ก็เรียกพระสงฆ์ที่เป็นพระขีณาสกเนี่ยวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาคือเป็นวันที่สําคัญยิ่งที่วันประกาศ กฎรัฐธรรมนูญปกครองสูงวันวันเดือนสามเพนพระองค์ประกาศอย่างไรแต่ทุกวันนี้ค์จะประกาศทางวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์พากันแต่พระพุทธเจา้าสมัยนั้นท่านไม่มีท่านโทรจิพเนี่ยโทรจิพท์หากันคล้ายกับว่าวันนี้บ่ายโมงพระพุทธเจา้าจะประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองสูง จะสวดพระปฏิโมกโอว่าทปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์วันเดือนสามเ่นขอให้สงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระขี่นาศกมียานารัศนะมาประชุมพร้อมกันได้พระสงฆ์มาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะอะไรกันคือนัดแนะคือนัดแนะ้วยยานทัศนะไม่ได้นัดแนะไปบอกว่าองค์นั้นไปชมกันนะท่านไม่ได้บอกก็มาพร้อมกันในบ่ายโมง พระสงฆ์ล้วนจะเป็นขีณาสุเป็นพระรหันทรันสองร้อยหูปมาพร้อมกันที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลุวันจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินัยปกครองสงฆ์สงฆ์ทั้งหลายเมื่อพวกเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะพวกเราก็จะต้องมีกฎมีระเบียดมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อปกครอง ถ้าพวกเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบพวกเราจะปกครองกันได้อย่างไรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะจะต้องมีกฎมีระเบียบอาจารย์ระองค์ก็บัญญัติวินยัยแี่วา่าโอวาทปฏิโมกหรือฉุดพับปฏิโมกในถ้ำกลางสงให้สงทั้งหลายเรียนปฏิโมกบัญญัติวินัยขึ้นมาในถ้ำกลางสง พระสงฆ์ท้งหลายก่อนยอมรับ อ, อยอมรับฟังนี่แหละอันนี้คือคือ อ, อพระสงฆ์ท่านมีหลายองค์มีทั้งพันสองร้อยห้าสิบรูปมารวมกันสรุปแล้วคือเอาดีเอาความดีเข้ามาสู่กันเอาความดีเข้ามาหันหน้าเข้าหากันล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหัน เอาความดีหันเข้ามาหากันมาให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อฟังโอวาทปฏิโมกฟังพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยพระพุทธเจ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีกิเลสอีกต่างหากเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพันสองร้ห้าสิบรูปก็ร้นแล้วจะเป็นพาาระอรหันต์อีกสรุปแล้วก็คือดีต่อดีอามารวมกันกลิบบัญญัติวินัย พอมัญญัติวินัยขึ้นมาวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติแต่สมัยนู้นองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีให้หลังก็ยังนํามาใช้ยังเกิดประโยชน์กับทัางทุกวันนี้แต่บางสิกขาบทที่เราดูแล้วก็เป็นชิกขาบทที่ล้าสมัยเหมือนกันแต่ท่านไม่ให้ถอน ไ, อไว้นั่นล่ละคือยุคนี้สมัยนี้มันล้าสมัยแต่ยุคต่อไปคนเกิดมายุค ก, ก่อนต่อไปข้างหน้าอาจจะทันสมัย แต่ยุคนี้ล้าสมัยแต่ยุคที่แล้วมายุคที่พระพุทธเจ้าบัญญัติทันสมัยถูกต้องอย่างนั้นลหละคือวินัยคือไม่ให้ถอดไม่ให้ถอนไม่ให้บัญญัติเพิ่มเติมเลยก็เพียงพอพระสิ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยที่มาเปรียบเทียบกับพวกเรารัฐบาลที่เนี่ยเออเออเลขาฉีการัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ฉบับตั้งแต่สองพัน 407สิภามาเนี่ยมาถึงยุคของเราสรุปแล้วก็คือผู้มีกิเลสบัญญัติบัญญัติกฎหมายใช่ไหมสรุปแล้วคือผู้มีกิเลสบัญญัติกฎหมายแหงกฎรัฐธรรมนูญบางทีกขบัญญัติขึ้นมาเอาเข้าข้างตัวเองบ้างเอาเข้าข้างมูเพื่อนบ้างเอาเข้าข้างพักข้างพวกตัวเองบ้างตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาพอพวกนั้นคือมาอีกไม่เห็นด้วยมันเอาเข้าข้างคนนั้น ตัวเองบัญญัติขึ้นมาเอาเข้าข้างตัวเองเองเลยมันผลที่สุดคือเลยเป๋ไปเป๋มากฎหมายปกครองประเทศชาติคือมันไม่สแตนดาร์ดไม่มาตรฐานเทไงก็ทําให้ประเทศชาติของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยนะแห่งพวกหนึ่งขึ้นมากับบัญญัติจังหนึ่งสรุปแล้วก็คือผู้บัญญัติกฎหมายเนะี่ยเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยอคติสี่ทําให้ การปกครองประเทศชาติยุ่งเหยิงวุ่นวายะเราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วแนแนวหรือว่าเปรียบเทียบให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระพุทธศาสนานเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาธรรมีธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทมคืออะไรคือหลักเหตุผลถ้าเอาหลักเหตุผลเหตุผลก็คืออะไรบางทีก็ เหตุผลที่มีคนมีกิเลสก็เอาเข้าข้างตัวเองเหมือนกันเหตุผลเข้าข้างตัวเองก็มีเหตุผลให้เป็นกลางก็มีเพราะนั้นจึงให้มีการประชุมกันหลายหลายคนแสดงความคิดเห็นอย่างพระสงฆ์เนี่ยแสดงความคิดเห็นในยุคยุคของตัวเองแล้วก็พพดไปดีกว่าดีกว่าคนคนเดียวคิดหลายหลายคนคิดดีกว่าคนคนเดียวคิดหรือว่าคนน้อยคนคิด หลายคนคิดแต่ว่าหลายคนก็นอย่างที่ว่านเหมือนกันก่อนที่จะรวมหัวกันได้ก่อนที่จะพูดให้เป็นแนวหนึ่งแนวเดียวกันก็ยากเองเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็ที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง น, นก็ น, นี่คือหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนในครั้งพุทธกาลก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระสงฆ์พันสอง้ยห้าสิบรูป ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์บัญญัติฟีไนบัญญัติศินบัญญัติกฎระเบียบปกครองสงฆ์แต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็อพวกเราท่านทั้งหลายคนบัญญัติกฎกติกาอย่างนี้อีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ให้ยึดหลักเหตุผลคือความถูกต้องอถูกต้องคืออันดับแรกก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้ต้องคิดไว้เสมอแต่บางที่เอาใจเขาใจเราเนี่ยก็มันก็ถ้าถ้าเรามีกิเลสในใจนะถ้าเราไม่ถูกต้องไม่มีหลักเหตุผลนะถ้าหากว่าเราชอบกินเหล้าใช่ไหมล่ะเราชอบกินเหล้าเราก็เห็นเขากินเหล้าเร า, เราก็ชอบกินเหล้าเหมือนกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเร า, เาไม่กินซะอย่างเนี้ยแล้ว เ, เขาชอบเล่นการพนงการปราดันที่ทอ บ, ทอบามผิดเราก็ทอบทำผิดอยู่แล้วเนี่ย เ, เราก็ทำผิดอยู่แล้วเขาก็ทาผิดเอ้าอยูอนกันนะ เ, เพราะทาผิดด้วยกันนะอันนี้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราทีเดียวตรงพ่อก็ว่าน่าคิดเหมือนกันแต่ว่าใจของเราที่คิดไปแล้วมันถูกต้องมันเป็นธรรมไหม คนของเขามันพิษมันเป็นถูกต้องไม่เป็นธรรมไหมอันนี้ก็คือต้องเอาหลักธรรมมายึดอีกทีหนึ่งทำนั่นคืออะไรคือยุคสมัยก่อนตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วนะทำนั่นก็คือศีลห้าเนะี่ยเอามาเป็นมาตรฐานยกขึ้นมาเป็นกระจกเงาเลยนะถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าทําไปผิดศีลห้าแล้วนะ่ะแปลว่าคนนั้นแปลว่าเดินผิดทางแล้ว ถ้าว่าใครก็ตามเดินผิดศินห้าเนี่ยแปลว่าคนนั้นเดินผิดถ้าใครก็ตามเดินถูกตามศีลธรรมคือศินห้าเนี่ยคนนั้นเนี่ยถึงยังไงยังไงก็ยังเป็นคนดีอยู่เพราะว่าสินห้า เ, เป็นกระจกเกา่าสําหรับให้พวกเราเดินแต่ถ้าว่าพวกเราคิดแต่ว่าเออใจเขาใจเราเนี่ยบางทีเราใจของเราก็ไปไปทางกิเลสใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรจุงเจื อ, อวุ่นวายไปหมดในใจ คนอื่นเลยเห็นก็ทําือเอเราก็ทําเราก็ชอบอย่างนี้ว่ะเปุที่สุก็เลยยวนกันอีกเนี่ยก็เลยไปใหญ่เลยแต่เนี่อหากฎหากเกณฑ์ไม่ได้ไม่รู้ทำไงเดือดร้อนไปคนที่เกี่ยวข้องใช่มันถูกใจเราก็ใจสองคนแต่คนอื่นน่ะมันเดือดร้อนเพราะอะไรมันผิดศีลธรรมไงทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องแยกแยะให้ออกอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านนะเพราะนั้นขอให้ พวกเราพุทธศาสนิกชนใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นกระจกเงาวิธีเดินวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำรรถ้าพวกเราคิดพูดทำในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุขจเจริญรุ่งเรืองแต่วันนี้เห็น ท่านพอออกเขตสี่พาคณะมาทำบุญหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจและอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็ได้ยินว่าเขตสี่ของเราเนี่ยถ้าการศึกษารวมภาพรวมเนยภาพรวมแห่งการศึกษาอแปล ว, ว่าเก่งเก่งกว่าภาคเก่งกว่าเขตอื่นเพราะในั้นจังหวัดอุดรมีสี่เขตใช่ไหม พวกเราอยู่ในเขตป่าดงพงไผ่อำเภอนาะยูน้ำสมกุฎจับบ้านผือสี่อำเภอเนะี่ยยังเอาชนะอยู่ในเมืองเขาได้หลองพ่อหลวงพ่อเองเป็นพระที่เป็นหลงหูหลว ง, งตาอยู่กับพวกลูกหลานเนะี่ยครับภาคภูมิใจด้วยเหมือนกันนะแสดงว่าครูบาอาจารย์ในถิ่นของเราเนะี่ยใส่ใจในการสอนลูกหลานครูบาอาจารย์ในสำคัญนะ ทำไมจึงว่าสําคัญครูบาอาจารย์เหมือนกับเป็นผู้นําประฏิบหรือว่านําไฟฉายที่สว่างพานักเรียนทั้งหลายเดินตามนักเรียนทั้งหลายเห็นแสงสว่างเดินนักเรียนก็เดินตามแล้วก็ไปได้แต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์มีแต่กินเหล้าเมาญาไม่ใส่ใจในการสอนในการแนะนําลูกศิษย์เหมือนกับครูบาอาจารย์ไม่มีไฟ ไฟเทียนพอริบหรี่ริบหลีลูกน้องเดินตามหลังตดดุดหกล้มบางทีก็งูกัดงูต่อยตกหลุมตกบ่อไปเลยมันจะเดินไปที่ไหนได้จะวิ่งเร็วก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่มีไฟเป็นผู้พานำทางแต่หลวงพ่อว่าอำเภอนายูงของเราเนี่ยเป็นผู้มีไฟพอสมควรเ่ยจึงเดินพานักเรียนพาลูกศิษย์ลูกหา เอาชนะหรือว่าเป็นที่ยอมรับไปแข่งภาคก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะไปแข่งภาคก็ไม่แพ้ใครหลวงพ่อได้ยินไม่ใช่หลวงพ่อไม่ฟังนะหลวงพ่อฟังอยู่นะมีผู้มาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เออดีไว้ยลูกหลานไม่เสียเที่ยวเสียทีที่หลวงพ่อสร้างโรงล่ำโรงเรียนให้ช่วยอุดหนุนเรื่องการศึกษาพ่อหลวงพ่อเน้น การศึกษาหรือการพยาบาลเนี่ยถ้าว่าประเทศชาติบ้านเมืองการศึกษาอ่อนจะพัฒนาประเทศชาติเป็นไปได้ยากเพราะเหตุใดพากคนในชาติมันโง่เพราะไม่มีความคิดเนี่ยแต่หลวงพ่อก็จบป .4 เขาเถอะนะแต่หลวงพ่อเนี่ยใฝใในการศึกษาอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายได้รับการศึกษาให้สูงแล้วก็ให้เทียมเท่ากับอารยประเทศเขาอ่ แล้วอีกไม่นานไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็จะเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยอาเซียนก็จะต้องได้พูดภาษาเราจะเป็นเบี้ยล่างเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเอกราชพนมนานจะไปยอมเป็นเบี้ยล่างต่อคนรอบด้านของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยด้อยในการศึกษาอย่างมากเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องฟิตฟิตให้ปังเลยให้แข็งแรงให้ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยนั่นแหละเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคนที่จะเฉลียวฉลาดจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องเพราะการศึกษาถ้าผู้ใดก็ตามได้รับการศึกษาดีแล้วนในชุมชนใดชุมชนนั้นมีแต่ความเจริญแต่ทึงยังไงก็เถอดเรียนเก่งก็เก่งหน้าที่การงานสูงการบริหารการ ของชีพดีแต่ว่าร่างกายของเราไม่ได้รับการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนก็ต้องรถถึงจะซื้อมาราคาแพงขนาดไหนดีขนาดไหนก็เถอะนะแต่ก็ต้องมีอู่มีอู่เหมือนกันอู่รถนะอู่รถเป็นอู่รถบ m เอมราคาแพงเอ๊ะทารถราคาแพงแพงไม่น่าจะมีมีอู่นะมันมีนะมันมีอูข่ของมาันอันนี้ก็เหมือนกัน พวกเราถึงจะมั่งมีสีสุขลารวยขนาดไหนการเรียนการศึกษาสูงขนาดไหนผลได้สูงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเหมือนกันต้องเข้าอู่นี่แหละลุงพ่อวะลุงพ่อก็ได้ไปช่วยอู่อีกที่นึงเพราะนั้นการศึกษาก็ช่วยอู่ก็ช่วยไงโรงพยาบาลอย่างที่ลุงพ่อได้เนะี่ยไปสร้างตึกที่อุดรสร้างตึกสิบชั้นให้โรงพยาบาลอุดรเคียงคู่กับตึกหลงตานะ่ะ สำหรับเป็นที่จอดรถจอดรถทั้งเจ็ดร้อยคันนะและก็พร้อมกันที่แรกกะสร้างเป็นตึกหนีไฟตึกหนีไฟก็คือตึกสิบชั้นนะถ้าไฟไหม้ขึ้นชั้นล่างนะเขาต้องตัดตัดไฟลิฟต์ทั้งหลายต้องตัดแล้วคนอยู่นั่นจะทำยังไงถ้าว่าคนดีทําการทำงานเน่ยเขาก็กระโดดลงทางหนีไฟได้กระโดดตรงทางหนีไฟได้ถ้าคน ขาหักแขนหักคอหักเอวหักไฟไหม้อยู่นอนอยู่นั่นแหละและ้วจะหนีไปยังไงแม่มันก็ต้องเอาใสาเตียงวิ่งออกมาตามสะพานมาถึงตึกอีกหลังหนึ่งเพื่อหนีไฟนี่แหละหลวงพ่อคิดคิดถึงขนาดนั้นะคิดเพื่อลูกเพื่อลานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อก็คิดสร้างตึกหนีไฟหลังนั้นะ่ะแต่สร้างตึกหนีไฟแล้วท่านนี่เมื่อไหรไฟจะไหม้ทต่เนี่ย แมมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็ต้องเป็นที่จอดรถนะให้ใช้ได้สองอย่างท่านยังไม่ได้หนีไฟก็จอดรถไว้ก่อนถ้าว่ามันมีมันจำเป็นจะต้องหนีไฟก็จะต้องเข็นมาตึกหลังนี้ น, ะนี่แหละอันนี้ราคาทั้งเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบแปดล้านนะแต่ทำท่าจะขึ้นไปอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้ามาอีก น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือ ช่วยเหลือโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่เท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมืออีกเครื่องผ่าตัดหัวใจเรื่องสองกล้องหามะเร็งในระยะแรกเครื่องผ่าตัดไม่ให้มีเลือดออกดวงพ่อได้ช่วยไปหมดไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพกายของพี่น้องประชาชนการสร้างอาคารเพื่อให้เด็กนักเรียนครูบาอาจารย์ได้สอนอนักเรียนอันนั้นกั ได้ทํามาหลายหลังนะแต่พอจากนั้นก็ได้ช่วยเกี่ยวกับการแพทย์อีกนี่แหละหลวงพ่อคือเน้นสองอย่างก็คือการศึกษาและเอการสาธารณาสุขทั้งสองอย่างเอถ้าหากว่าเขาถามว่าหลวงพอ่อท่านผู้ใหญ่ท่านถามว่าท่านท่านจะช่วยอันไหนกันแนว่วะสองอย่างเนี่หลวงพ่อยกสองนิ้วขึ้นเหมือนกับลิโพวิตัน้นหรือะปลนะท่าน หลวงพ่อช่วยทั้งสองอย่างเท่าเท่าเทียมกันทั้งสาสนาสุขด้วยทั้งการศึกษาด้วยพอเห็นว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์ทั้งคู่ทั้งสองอย่างนี้ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะอันนี้ก็หลวงพ่อในด้พูดนะอะก็พร้อมกันก็เนี่ยทั้งสาสนาหลวงพ่อเขาไม่ได้ปล่อยปลาและเลยไม่ได้ทิ้งเหมือนกันแนะนำสั่งสอนเอ็มีสามหลวงพ่อก็ออกไปเท่าไหร่ หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรบวชมาแต่เตะอายุสิบเอดบสองปีมาถึงปานเน้หลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างไรให้ไปฟังเอ3สามของหลวงพ่อให้จบก็แล้วกันว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างไรอยู่ในนั้นหมดถ่ายความรู้สึกลงในเอ3มสามเกือบทั้งหมดเกือบไ ม, ไม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดอันนั้นก็คือฝ่ายธรรมะจากนั้นก็ได้ช่วยลง ทางวัดวาศาสนาอย่างพระเจดีอย่างหลวงตาที่หลวงพ่อได้พูดนี่ยก็คือส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้ปล่อยปะล่าเลยในทางสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านสั่งก่อนที่จะปรินิพานว่าขยาวยธรรมมาสั้างฆารานะอัอปมาเดนะซ้ำปาเดธาติขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ เข้าสู่ปรินิพานประโยชน์ตนก็ย่าให้ขาดตกปกพร่องประโยชน์ตนขาดตกปกพ้องก็ไม่ดีอย่างปพียงแต่ไปช่วยคนอื่นตัวเองหาข้าวจะกอกหม้ออยู่ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่ถูกแต่ตัวเองกินรวยจนพอแรงแล้วไม่มองใครเลยอันนั้นก็ไม่ถูกนะประโยชน์ตนก็ย่าให้ขาดตกปกพ้องประโยชน์คนอื่นก็ย่าให้ขาดตกปกพ้องอันนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้า อ่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร